ในช่วงคุยธรรมะกันในวันนี้กระผมพระไปบุญนะพี่บุญโนมาพบกับท่านผู้ฟัง เขาก็เปิดเพลงปีใหม่ฟังรายการอะไรกันทําให้เรามีความๆนะเหมือนอย่างเรามีของใหม่ๆ เสื้อผ้าใหม่รถใหม่รองเท้าใหม่โรงเรียนใหม่ที่ เป็นเครื่องหมายแต่พุทธเจ้าใช้คําว่าเอ่อดีๆเนี่ยเอ่อพระพุทธเจ้าไม่ก็ไม่ได้สอน เป็นกับเอ่อในโคบานต้นวัวต้นควายเนี่ยเข้าฝูงหรือว่าเปรียบเสมือนกับเอ่อโคที่อยู่ในคอกเนี่ยสุดท้ายมันก็ที่พระเจ้าเน้นย้ำให้ เรามาคิดอ่านการงานใดๆที่จะทําสิ่งใดให้มันก้าวหน้าๆมีจิตที่เป็นกุศล เนี่ยมีการโอเปรนกันให้พอดกันเอ่อสัมมาวาจาที่เราพูดกันนี้ก็เป็นก็ๆอยากทําดี อะไรที่เราต้องการเพิ่มทําเพิ่มให้ๆแบบปี 1 มกราคมปี 2556 เนี่ย 31 ธันวาคม 2555 อย่างงี้จริงๆแต่ละวันของ 7 สิงหาคม 16 มีนา 31 ธันวาหรือว่า 4 กุมภาพันธ์พวกเนี้ยก็เป็นวันที่มีครั้งเดียวเท่านั้นเอง 31 ธันวาคมหรือ 1 มกราคมเท่านั้นแล้วไอ้จิตใจแบบนี้ที่เรา ที่เรามี 6 เดือน 7 เดือน 8 ในของในปีเนี้ยมันก็ยังเป็นวันจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อวันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไร นึกทีมเหมือนกันอันเดียวกันนะเพราะว่าแค่กลางวันกลางคืนมันเหมือนกันและจากกลางวันกลางคืนผ่านไปผ่านไปเอาโลกหมุนรอบตัวเองไปแล้วพอหมุนไปหมุนๆมันคือ เราก็บอกเป็นวัน 1 กลางวันกลางคืนเปลี่ยนดวงจันทร์หมุนรอบโลกรอบนึงเราก็บอกว่ามันเป็นเดือน 1 เพราะว่าดวงจันทร์มันจริงๆๆเนี่ยมันเหมือนกัน so มันน่าจะดีเป็นของใหม่เป็นอะไรใหม่เราสมมุติกันอย่างเฉยๆแล้วถ้าไอ้ที่เราสมมุติเนี่ยเราสามารถสมมุติกัน แล้วอีกการที่เรามาส่งความสุขเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงเรื่องความของบุญนะบุญเนี่ย หามาได้ด้วย Possitalize ความเพียรหงมาได้ยิ่งโทษต้องกับนี้เป็นสิ่งดีและมีการแบ่งปันกันให้ปันกันดีแน่นอนงานให้ปันการแบ่งปันที่ดีมากขึ้น ในที่شอบคุณต้องเรื่องบุญเลย เรื่องความสุขนอกจากการให้ทานแล้วยังคือเรื่องการรักษาศีรย์ถ้ารักษาศีรย์เราก็จะข้าเราก็จะลักเร aver MINT แต่ที่ดีมากกว่าการรักษาศีลนิคือการเจริญภาวนาในเรานั่งสมาธิภาวนาเราส่งกระแสความรักความเมตตาออกไป ทีนี้ไอ้เรื่องของเอ่อนิมิตหมายใหม่เนี่ยทําไมเราจะๆเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเนี่ยเราก็ควรจะหามงคลสิ่งดีๆเข้าในชีวิตใช่มั้ยหลายๆคน ก็ยังเข้าวัดเอ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งดีแต่เข้าไปทําอะไรก็ไว้ไปจริงๆแล้วพุทธเจ้าพูดไว้หลายอย่างนะการดูแล การฟังธรรมตามการแต่พวกนี้ๆเรื่องสวด 5 ปี 10 ปีหลัง 10 ปีด้วยซ้ําแต่ที่เค้ามีการสวด แต่พอสมัยใหม่ <_ S 1> <ๆ> 5 4 3 2 1 เอาปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วแล้วก็ๆแต่ถ้าถ้าพูด ก็จริงต้องบอกว่าแต่ตอนเอาตอนเที่ยงคืนเนี่ยพระก็ต้องมาลําบากนะไม่ได้ ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ต้องการพูดในการอวยชัยให้พรแต่การอวยพรการว่าพรเนี่ยเอ่อเราต้องมาพิจารณาดูในสมัยพุทธกาลนี่ ในสมุนไพรวิสาคาลินังสุชาดาจะขอว่าเอ่อขอให้ถวายผ้าขอถวายผ้าขอพรนี้ขอถวายอาหารประเภทนี้ขอถวายอย่างนั้นอย่างเค้าก็ใช้คําว่าขอพรขอพรเพิ่นขอ ขอพรที่จะถวายสิ่งนี้ให้แก่ท่านให้แก่สมณะสงฆ์ในอาวาสนี้สมมุติไปขอเจ้าแล้วไอ้ คุณได้บุญแล้วนะไม่ใช่แต่เพราะนั้นทําบุญปุ๊บคุณได้ตันติแต่ที นะเค้าเรียกว่าทําการอนุโมทนาอนุโมทนานี้ก็คือว่าเอ่อยืนยัน ในหิรัญทายาทที่เราให้ไปอันนี้ว่าศรัทธาหลังให้เนี่ยคุณไม่มี เอ่อทานทานที่เราให้ไปเนี่ยคุณได้บุญแน่นอนหลังหลังให้คุณก็ต้องคอย แต่ก็เป็นลักษณะการให้กำลังใจกันนั่นแหละแต่เป็นการสร้างปัสสะเป็นการสร้างสัมมาวาจาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่